วันอุตรของเขาเรียกว่าวันศาสตร์จีนถือเป็นจะเพณีนิยมของคนโลราณมาจนบัดนี้น่ะ <c oughs> โดยเฉพาะช่างพุทธศาสนและอุบาสกบัณิกาทั้งหลายก็ใครทำสัมมาปฏิบัติหน้าที่วันพระก็วันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมจรึงเรียกว่าวันพระ แต่เราชาวพุทธทั้งหลายทอดทิ้งวันพระไปมากแต่ไม่ใช่หมายความว่าวันพระ <c oughs> ต้องมานั่งในวัดทุกวันเจ้าพระวันพระแต่วันพระเรานับพูพระทำจิตใจเป็นพระชกุลนหนึ่งและเราปฏิบัติกรรมาฐานเพื่อํารวจกลัวกลาตัวเองว่าในรอบสัปดาห์นะั้นเราทำผิดถูกอะไรมาบ้าง อะไรจะได้กำไรบ้างจะคาทุนประการใดเราจะได้มาคำนวณพิจารณาตนหนึ่งจับดาต่อวันจะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายมากไม่ใช่น้อยแต่เราก็ไม่สามารถจะพิจารณาตนและพิจารณาต่อไปในหลักธรรมนี้ได้คนเราจึงได้ทิ้งความดีสมากเราไปสร้างความไม่ดีไว้ในตัวเองก็มาก แต่น่าจะพิจารณาตัวเองได้แล้วว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ให้สํารวยเ ก, กล้าให้ประเมินผลและวิจัยตนให้ได้ทองแท้แน่นอนว่าอะไรจะขาดทุนหรือได้ากาไรขาขายก็ต้องการกําไรชีวิตเราเกิดมาก็ต้องการกํำไรชีวิตบ้างอย่าขาดชีวิตขายกํำไรชีวิตไปซะเปล่าไปซะจากประโยชน์แต่ประการใดก็ขอจเจริญพรอย่างนั้น วันนี้เป็นวันธรรมสวรรคเรามาหากำํำไรชีวิตกันสักหนึ่งวันและหนึ่งชั่วโมงก็ยังดีเดี๋ยวนี้เราลุยุกใหม่สมัยนี้เทคโนโลยีทอดทิ้งความดีในวนพระเลยวพระก็ไม่ทราบว่าทําอะไร่จาจจะอยู่บ้านหรือนานักงานอะไรถือว่าเวนพระทําใจให้เสะเสริกสักเวลาหนึ่งทําใจให้สบายทําใจใสงบ ปฏิบัติธรรมในวันนั้นจะอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเรามีวิธีปฏิบัติแล้วหรื อ, อยังเราเข้าใจชีวิตเราหรือไม่เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหรื อ, อยังถ้าเรายังไม่เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วยังไม่รู้วิธีปฏิบัติมันอาจจะผิดล้วอาจจะเดินไม่ถูกทางเราอาจจะหลงทาง คนที่ไม่หลงทางคนรู้จักทางเนี่ยจะได้กํำไรชีวิตคนที่หลงทางคนไม่รู้จักทิศทางจะขาดทุนนะขาดทุนมากไปไม่ถูกต้องแต่มันจะเสียเวลาในโลกมนุษย์ไปไม่เิง น, น้อยเสียเวลามากทางอย่าให้มันเสียเวลาชีวิตของท่านยาขาดทุนในชีวิตได้เลยแตมาพูดมาทุกครั้งเวลาเป็นหนึ่งในโลก เหมือนกันหมดไม่ลักลันเสมอเหมือนกันไม่อคติกับใครคือเวลาแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าใครจะใช้เวลาวินาทีเดียวนั้นให้ให้คุ้มค่ากว่ากันตรงนั้นเนี่ยเป็นบทที่จะต้องคิดแล้วเราจะใช้เวลาแม้แต่วินาทีเดียวนั้นให้มันได้ประโยชน์และคุ้มค่ากว่ากัน บางคนไปชอบฟิลมบางคนไปเที่ยวบางคนดูหนังสือบางคนไปสร้างความดีบางคนไปปฏิบัติกรมฐานบางคนก็ไปโน้ตพัทยาวุหินบางคนก็ไปห้องโปงสิงคโปร์ไปเที่ยวแล้วกลับมานั่นนหะเวลานั้นมันแตกต่างกันอย่างที่สร้างความดีกับไม่ได้สร้างความดีวินาทีเดียวเท่านั้นมันได้ผลได้กําไรแตกต่างกันไปมาก บางคน อ, ะ อ, ะอยู่เฉยๆย่าไรเยอะปล่อยทิ้งเวลาไปเฉลาหายใจเข้าออกทิ้งไปเฉยๆเฉยน่าจะมีสติในลมหายใจมีปัญญาในลมหายใจบ้างเปล่าเลยทิ้งไปเหมือนไขนะ่น้าปลาปลาทิ้งไปเปล่าไม่เดีมาชโลต้นไม้เดี๋ยวมั น, นมไม่ได้เอามาอาบไม่เดียเอามารับทานมันก็เสียไปเปล่าใช่หรือไม่เป็นการไดการโปรดพิจารณาตรงนี้เนี่ยตรงนั้นแหละ แต่จะได้ผลว่าท่านมีคุณค่าประการใดวันนี้ก็จะชี้แจงแสดงบรรยายถึงเหตุผลประจรมรฐานปฏิบัติแล้วมันได้จุงไหนที่ท่านไม่เข้าใจปฏิบัติขอท่านทัง้งหลายโปรดติดตามฟังสืบไปณโอกาสแบบนี้ขอเจริญพรเจริญศุกโดยทั่วกันณนะโอกาสบัดนี้ <c oughs> ต่อห น, นี้ไปท่านใจฟัง คติธรรมกรรมาฐานแล้วเกิดมาเนี่ยชีวิตมีค่าหคนที่เข้าใจธรรมะปฏิบัติธรรมะชีวิตเขาจะมีค่าเวลาเขาถึงจะมีประโยชน์ใช้ประโยชน์ต่อเวลาท่านอุบาสกปิการทั้งหลายเอ่ยคำว่าสติปัญญาไม่เยวยกันทุกคนมีมานานแล้ว มีท่านผู้ใดใครที่ไหนบ้างไหมจะใช้สติปัญญาแม้แต่น้อยไม่ควรมีใครใช้ปัญญาแต่สักทีสติปัญญามีตัวท่านแล้วไม่มโยกาจะใช้สติปัญญาของท่านบางครหรือประการใดการปฏิบัติกรรมาฐานเนี่ยเป็นไม่ใช่เรื่องคลึกอเรื ộ, ่องโง่เงาเตาตูนําต้ตองการให้การกระทําท่านดีไหมต้องการให้ฐานะดีไหม ต้องการให้ท่านลุงเลี้ยงไหมต้องการให้คิดมั่นคงไหมต้องการให้ท่านมีปัญญาไหมต้องการจะแก้ปัญหาในสังคมไหมตรงนี้ไม่มีใครคิดเลยอยู่ไปตามมิจดาเดชาอนุภาพของคนช่นก็ตายกันอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นหรือปฏการได้แต่อาจจะไม่ได้คิดข้อนี้ไปก็ได้ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนนักสอนหนาสอนให้เรียนหนังสือสอนให้หาวิชาความรู้สแสวงหาวิชาใส่ต้นสแสวงความรู้มาแพ่ปัญหาจากการปฏิบัติธรรมสอนตรงนั้นไม่จะสอนให้มานั่งบวชชีพรามไปสวรรค์นิพพานตรงนี้ท่านสอนไมนการแต่เอาไว้ปลายทางนู้นแต่เรื่องต้นของชีวิตนี่ควรจะขึ้นตรงไหนก่อน ควรจะออกแขกด้วยเรื่องอะไรก่อนควรจะดาเนิน ง, งานวิถีชีวิตประการใดพระพุทธเจ้าสอนทุกประการสอนให้มีความเข้าใจแต่เราเสียกไม่เอาไปเอานอกคำสอนล้านเรื่องเปลี่ยนเวลาไม่สามารถจะแก้ปัญหาของท่านได้แน่นอนที่สุดและท่านจะเอาอะไรมาแก้ปัญหาเพราะว่าชีวิตของคนนี่คนนี้คือคนอั่นคือปัญหา สร้างแต่ปัญหาตลอดรวยการไม่มีที่จะแก้ปัญหาแต่ประการใดการปฏิบัติกรรมฐานนั้นเป็นการแก้ปัญหาเป็นการสู้ปัญหาและกกอแก้ปัญหาอย่าทิ้งปัญหาอย่าหนีปัญหาตรงนั้นถึงจะถูกต้องไม่ใช่เข้าวัดนี้ออกวัดโน้นไปทั่ววัดโน้นไปกันหลามไปหมดและไม่หย่าอะไรกลับมาเสียเงินเสียทองไปเปล่าประทัดประโยชน์ ไปบวชชีพราหมณ์แต่ที่นี่วัดนี้ไม่ใช่ชีพราหมณ์นะมาบวช ถ, ถ, ถึงให้ถึงจาจบวชถึงให้ถึงใจได้รัตตนาจายาจายิ้เหนี่ยวทานใจจิตตัวท่านไปเป็นการเพียงพอในการบวช <c oughs> โดมจะเป็นผู้หญิงหรือจะเป็นผู้ชายไม่ส้ำถัดผู้หญิงสามารถจะปฏิบัติกรรมฐ า, านบวชแทนคุณบิดามาันดาได้ดีกว่าเช่นบางคนที่หนุ่มเหลืองหงเหมวย แล้วก็ไม่ทำอะไรไม่ปฏิบัติอะไรเนี่ยมันแตกต่างกันในเวลาอย่างนั้นโยมเป็นผู้หญิงก็โทษแทนคุณแม่คุณพ่อได้ข้าป้อนน้ำนมได้ถ้าปฏิบัติกรรมฐานจะได้รู้เหตุการณ์คุณชีวิตจะได้มีปุพก า, าลีกตัญญูถาวายที่ถาวรจะละมึกชาติคุณตัวเองตรงนั้นได้แน่นอนทีส่สุดไม่มีอะไรแปร ى, ผันเปลี่ยนแปลงจะปรแกรมได้แต่ไม่มีใครทำ ไปทัวบุญกันเยอะถอดกระถิ่นบาปป้างถอดปลาปลาสังไว้สังฆทานกันเอาเงินไปให้คนน้นไปให้คนนี้กด็ดีถูกต้องแต่ควรจะเป็นบุญสงเคราะห์ตัวเองก่อนอันดับหนึ่งอันดับสองก็ไปช่วยคนอื่นต่อไปพูดมานานแล้วไม่มีใครสนขอน้อนี้ไม่มีใครเข้าใจแต่ประการใดตรงนี้เป็นุเรื่องสัมพันธ์มาแต่เราทำไมหนอเราไม่ช่วยตัวเองละ ขอฝ่าท่านทั้งหลายเจ้าท่านปฏิบัติกรรมฐานท่านจะช่วยตัวเองได้แน่และท่านก็พึ่งตัวเองได้ท่านก็สอนตัวเองได้อย่างแน่นอนไม่ต้องไปหาพระที่วัดไหนอีกพระของเรามีประจําบ้านอยู่แล้วคือพระพ่อพระแม่บิดดอมารดานะ่ะเป็นาาข้าอรหันครุ่งลูกเป็นพระพลมของลูกมีครบถ้วนกระบวนการในบ้านของท่านแต่ท่านตีความหมายผิดไปหาพระในถ้ำไปหาพระในเหว ไหาพระวัดโนนเจงอย่างโนนเกลืองลางของถังท่านจะผิดหวังอย่างน่าสีได้ขอฝากท่งนไว้จะผิดหวังไปหาพระลงุงนาหนาทองขนาดิยาโทเอศไปลงุงนาหนาทองให้พระเป่าหัวลดละมอนน่าจะลดโดยตนเองขอฝากไว้พ้ะพุทธเจ้าไม่สอนจุดนั้นนะท่านจะผิดหวังอย่างน่าสีได้ท่านจะรู้ได้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรบ้าง ถ้าพูดถึงคนโตๆผู้ใหญ่ก็เรียกว่าสอนอริยสัจสี่ทุกสมุทยนิโรธมัพสอนตรงนั้นแต่พูดภาษาเด็กก็สอนให้เธอเรียนหนังสือต่างใจเรียนวิชาความรู้ให้แก่ตนนี่เป็นเหตุผลคันถาธุระแปลว่าต้องเรียนต้องรู้ทุกวิชาไม่ใช่เรียนบาลีแปลบาลีแล้วก็ไปบทเนก็ให้หมด ไปบวชพระไปมหาป ร, ริญยาทั้งหมดไม่ใช่คันถาแปลว่านาน า, น า, นานชนิดแปลว่าชีวิตทุกการวิชาและการศึกษาต้องเรียนทั้งหมดที่จะเป็นตามจริตที่ชอบชอบหมอก็เรียนแพทย์ศาสชอบวิศวกรก็ไปเรียนวิศวกร น, นี่เรียนเรียนตามจริตไม่ใช่ดแก้จริตแปลเข้ามาอย่างนี้ถึงจะถูกต้อง ถ้าบุตร ธ, ธิดาของเราชอบเป็นแพทย์หม อ, อยาบังคับต้องให้เขาเรียนหมอให้ด่าเขาชอบเป็นแพทย์เป็นหมอเขาชอบเป็นวิศวกรไฟฟ้าเขาชอบรัฐศาสตร์หรือจะชอบวิชาวิทยาศาสต ร, ร์ตามจริตเรียนรับรองว่าเป็นวิชาเอกของเขาได้แน่นอนที่สุดตรงนี้บังคับ นี่จะสอนเด็กต้องไปอย่างนี้เลยไม่จะสอนเด็กหลับตาไปสวรรค์นหนูไปชั้นโนมวิมานยานที่พกขึ้นเด็กนี้เจะเป็นโสดาเลยไม่ต้องเรียนหนังสือพระพุทธเจ้าสอนหลายระดับสร้างความดีสอนได้หลายวิธีไม่จะสอนมานั่งหลับตาเป็นวิธีเดียวได้ดีไดสอนให้เรียนก่อนแต่ทั้งหลายมีลูกมีหลานให้เรียนหนังสือก่อน จะมาจึงแต่งบวชกรอนออกมาว่ารักลูกที่ปลูกฝังให้ลูกต่างตชนฝึกรับศึกษาให้ลูกได้ดีมีปัญญามีวิชาตั้งตอนให้ลูกเป็นคนดีก่อนเนี่ไม่จะได้บวชชีพรามณ์เห็นบวชกันเล่อๆไปเลยแล้วก็พระก็มีมนมามีชื่อเสียงพูด ก, กันวันยังคำ่ำแล้วก็ชอบฟังชอบพูดเลยไม่ได่าอะไรเลยนะติดกันแท้ไม่พัดแล้วอาจารจะได้อะไรหรือ อาจจะมาได้อะไรมีหลายวัดในประเทศไทยบวชกันแบบนั้นแล้วเขียกนกระดานป้ายว่าหลวงพ่อองค์นี้มีชื่อเสียงจะพูดตอนเชา้าหลวงพ่อองค์นี้มีชื่อเสียงจะพูดตอนบ่ายก็ไปดูป้าย ก, กันแล้วว่าองค์นี้กูไม่ชอบเลยอย่าไปฟังเลยออกมาเถอะนี่เห็นพูดกันอย่างนั้นองค์นี้พูดดีต้องไปฟังสักหน่อยเสียใจยด้วยโยมจะไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้อะไรเลยแล้วต้องกินน้อยนอนน้อ ย, อ ย, อยพูดน้อยทําความเพียรให้หนามากถึงจะได้ มัจะมานั่งหลับหูหลับตาเดินกันควา ย, ยหมดเนะยเดินกันควายแล้วจะเช้าไปตลาดซื้อกับข้าวมาใส่บาทไม่ใช่วัดไม่ไม่ใช่ที่นี่นะอาจารที่นี่นะชุดละสองร้อยนีใส่บาทนะมาใช่วัดนี้นะมาต้องใช้ตังคนะ์นะมาจะเดินกันเป็นถน น, นเดินกระสวนส น, นามไม่ใช่ตอ้องมาเอาให้มันจริงเหรอได้ไหมกินน้อยอย่านอนน้อยพูดให้น้อยทาําความเพียรมาอย่าคุยกันไม่ได้ มาคุยเนี่ยวัดอื่นเห็นเลยแตมาไปเป็นวิทยากรเดี๋ยวนี้เลิกแล้วสี่บทสีพรามเลิกไปเนี่ยนางกระเตมจะลาหมดไม่มีเรื่องอะไรคุยนินทาลูกสะพ้ายคุยนินทาพ่อผัวแม่ผัวอาตมาเสียงหนอ่อเดี๋ย่าูจะแทะเรียงแม่ผัวเขาจะให้ไปแทะเรียงกับมาถามเลยแทะเรื่องแม่ผัวกับลูกสะพ้ า, พายจบเวลาสองชั่วโมงก็ได้ยินมันพูดกันซี่ประชมุมมานาลูกสะพ้ายฉันนั่นจะแย่มา ว่า แ, แม่ผัวก็ว่าลูกสะพ้ยไม่ดีหรแม่ลูกสะพ้ยมันก็ว่าแม่ผัวไม่ดีก็จะบอกว่ามลูกสะพ้ายฉันเป็นคนดีซะหน่อยยัยไหมมันจะได้ส่งเสริมแม่ผัวดีขึ้นเนี่ยกฎแห่งกรรมระวังนะมีมไหมเนี่ยมีไหมเนี่ ย, ยแล้วนี่มีไหมมาแล้วบุยปาดไปทั้งนอเลยเนี่ยขวาอย่างหนอซ้าอย่างหนอเ อ, อแฟนกูมาไหมหนอไม่ได้ให้นะฉันจะไม่ได้เลยกลับไปเลยเนะ อ๋อปากว่าคนเราปากในสาคัญชอบนิ่งถาการปฏิบัติกรรมฐานต้องปิดหวานนะปิดหมดตั้งสติไอ้ดีปากในสาคัญมากอาตมาจึงได้กล่าวขวัญตามคติธรรมว่าไปไหนตาดูหูฟังปากนิ่งอย่าปากไปก่อนมานิยาาปากมาเนี่ยตาดูหูฟังปากนิ่งเจ็ดคิด พิจารณาโดยปัญญาก่อนแล้วค่อยพูดออกมาบางทีเนี่ยประเพณีบ้านไม่เหมือนการวัดไม่เหมือนการเอย่เพิ่งไปพูดเนี่ยนีย่คนปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยเขาจะตั้งสติไว้ได้ทุกจะไม่พูดเลยไงแต่คนปฏิบัติไม่ทาไม่ได้เนี่ยชอบพูดชอบพูดก็ชอบฟังพูดแล้วก็มาอาัดอั้นในอุราแล้วก็ไปถาป่ายเทปบนเหนือปั้นตัดไม่รูจะไปถ่ายกันที่ไหนถายแล้วอัดมาด้วยอัดมาแล้วก็นอนกางกระผาก ตื่ไม่ได้นอนไม่หลับต่อไปไม่เชกกรรมฐานวันนี้เนี่ยขอฝากไว้กรรมฐานแปลว่าการกระทำให้ฐานนะดีให้มีติปัญญารอบรู้ในกองการฉังขานจะได้อ่านตัวออกจะได้บอกตัวได้จะได้ใช้ตัวเป้นจะได้เห็นตัวนาจะได้คลาทิศิจะได้ายามีชอกจะได้ประกอบผู้สอนได้ผล น, น, นานเป็นหลักฐานนําคันพิจารณาอย่างนี้เช่นไม่จะมานั่งเลยถึงจะไปสวรรค์พอสามวันแล้ว เอาพระมาเท้สำหรับยาและยาที่6กขึ้นแล้วระวังนะยาที่6กน่ะไปหารลวประคุณฮะดายาหรบงประคุณดีกว่ายาที่พกนะหลวประคุณนะนะหาเงินได้เป็น้อยๆล้านถาวันนี้หลวงไปหมดแล้วมีเหตุผลไม่ใช่มาเอายาต้องการจะมาใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาหนึ่งจะได้รู้จะได้สวยจะได้รวย จ, จะได้สวยจะได้ดีจะได้มีปัญญา เราจะได้ไปแก้ปัญหาชีวิตในครอบครัวแก้ปัญหาให้ลูกต่อไปอย่างนี้จึงจะถูกต้องมาจะมานั่งเอายานไปสิบกและไปสวรรค์นิพพานก็น่าแค่สมบัติมนุษย์อย่างรักษาไม่ได้เลยแล้วเราจะไปสวรรค์ได้หรือสมบัติมนุษย์เราก็ยังไม่มีเลยแต่ประการใดนี่แหละพี่น้องที่รักทั้งหลายกิจโฉมนุษย์จปฏิลาโภคเกิดมนุษย์ญญกิดแสนยากแล้วทาไมจึงทําความมนุษย์ให้เป็นตับ ต่ำต้อยลงไปชนิดล่ะเกิดโฉมมนุษย์สัพติลาโภเกิดมาเป็นมนุษย์ยากมากถ้าญาติยมไม่มีคุณสมบัติสิลงกระทำด้วยจะรรมาบทสิบมาแล้วโยอมจะมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้กายกรรมสามวจีกรรมสี่มนโนกรรมสามครบถึงจะเกิดเป็นมนุษย์ได้มนุษย์เกิดขึ้นหนึ่งคนเนี่ยจากเดรัจฉานเกิดถึงล้านตัวพราดทาเสียทีไปเกิดเป็นเดรัจฉานเลยนะ มีตัวอย่างที่วัดนี้เยอะไปเกิดเป็นเดรัจฉานเนี่ยที่วัดนี้ไอ้หมีไอ้หมีมันตายไปแล้วเนี่ยทายกที่วัดนี้เกิดมาเป็นหมาเป็นว่าอันหมีไอ้หมีที่วัดนี้อันนี้จะไม่ขอกล่าวเล่าแต่ประการใดไอ้หมีเนี่ยท่านพระครูปัญญาเฉลียงไว้ยมีเหตุผลนี่นาฟังหลายประการแต่จะไม่ขอกล่าวนะในที่นี้มีหลักฝนเกิดเป็นเดรัจฉานได้ ขอฝากท่านทั้งหลายมนุษย์เรายังรักษาไว้ไม่ได้เชนจะไปรักษาอะไรไม่ต้องไปเอาสวัสดิภา น, านเอาสมบัติมนุษย์ติดโถมนุษย์จตปดีราโพบังโคนเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์ด่าแต่เวนกรรมมาเวนกรรมติดตัวมาออกมาจะท้องแม่เป็นง่อยเปรีย้ยวเสียขาเป็นใบหูหนวกตาบอดเห็นไหมเนี่ยร่างกายไม่สมบูรณ์เลยนี่ยติดโถมนุษย์จปดิราโพเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นบ้าออกมาเนี่ยพอเป็นหมอ นอนพอเป็นแพทย์จะอยออกชื่อโรงพยาบาลไหนแม่ก็เป็นแพาย์หญิงด้วยลูกเป็นง้อยสองคนเลยออกมาคนที่สามผ่าเป็นบ้าอีกไม่พอเป็นหมอเป็นแพทย์แม่เป็นแพทย์ลูกเป็นบ้าเห็นไหมแล้ลูกเป็นง่อยมันบอกโแทนกามารายอันนี้ยังไม่ขอกล่าวให้ท่านฟังไมาช่ว่ามีโสภาโสพีหน้าตาดีดีทุกคนไม่ใช่ เกิมาวัยวังไม่ครบบริบูรณ์เพราะโกรธเห็นกรรมที่จิตกรรมรรมาบางคนเนี่ยเอาลูกมาให้ดูเนี่ยขนาพ่อแม่เป็นเศรษฐีนะลูกเบอร์ไปแล้วไม่พูดไม่จาในวันนี้มาจะภลาทตายอีกเนี่ยหมาปีบอกรักษาไม่หาแล้วต้องอศ า, าอศัยธรรมะอศาศัยพุทธคุณอะไรเนี้ยไม่หายเนี่ยรักษาโรงพยาบาลห้าปีไม่หายนี่มาจะภลาทตายดูนะารู้เลยไม่หาย ในนายแพทย์เนี่ยอาตมาไปพูดที่ตึกไปที่ปีปีปที่โรงพยาบาลศิริราชเมื่อปีที่แล้วในใแพทย์โทรมาจากสหรัฐอเมริกามาบอกให้นายแพทย์ถามมาตมาว่าลูกเนี่ยลูกสาวเนี่ยเลี้ยนเก่งปริยาโทรเลี้ยนเก่งเล่นก้าหน้าตลอดมาเบอร์ต่อไม่ขีดตัวแหละขีดตัวเนี่ยมีลูกสาวคนเดียวนะที่วอชิงตั น, นเขาไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระเลยเนะ เนี่ยทางนี้เขาไม่สนนแล้วก็ให้ไนแพทย์สาวมันจะมาบอก้ลรัพ่อช่วยได้ไหมเราก็ดูแล้วอ่านออกแล้วบอกนี่อย่าไปบอกนะก็บอกกับเพื่อนเขาที่ศิลาอย่าไปบอกเพื่อนไนแพทย์ที่มอญชิงตันตายชาสาตายแล้วเห็นไหมเนี่ยมีลูกสาวคนเดียวเนี่ยเขีดตัวเรื่อยๆ เ, เนี่ยเอาไม่เขีดตัวทํำยังไงกดเทนก ร, รมอะไรนี่นางกรรมฐานจะรู้ได้นะ เนี่ยจะนั่งให้จริงๆหน่อยให้ใหชนะจิตใจตัวเองได้ไหมถ้าชนะได้โยอมจะรู้จริงถ้าแพ้จิตใจคุณยมเองเนะี่ยยอมไม่ตรงมีโอกาสจะไปชนะใจคนอื่นเขาได้แพ้คนอื่นตลอดไม่มีโอกาสชนะใจตัวเองได้แลจะไหนจะชนะใจคนอื่นเขาได้ละอันนี้คอที่สําคัญนี่แหละกฎแห่งกรรมนะท้านอานจาเจริญกรรมาฐานหน้าโยอมจะระลึกเหตุการณ์ชีวิตได้สองรู้กฎแห่งกรรมสามแก้ปัญหายัางไง ครบจบหลักสูตรของวัดอัมพวน ร, รู้กฎแห่งกามว่าผงอีฐหัวจะแตกว่มันจะชนรู้ไหมอตาตมาต้องทาทาเยอะๆอาตมาไปผู้รู้เนี่ยนี่คอหักแล้วให็นไหมรถชนคอหักไปแล้วรูวัวงนาหกเดือนเนีไม่ใช่นี้ไม่มีพยานนะมีพยานหลักฐานครบแต่ถึงเวลาสี่พระอาทีตย์รถก็ชนคอหกักพังไปเลยเราจึงไม่ตายเพราะหายใจชงสะดือดะรถตะมูกมันเต็มหมดแล้วเลือดเต็มตะมูก ขอหอยเต็มเ็จทำไมหาใจช่างเฉียดาเพื่าให้ได้ฝึกก็ให้ได้หกฝึกก็ให้ได้เนียเนี่ยข อ, ขอจเจรินพรบางคนก็อาจจะลุกหลุกสิจธ์อัตมานะจะวันชัยอยู่ด้วยการมาศีภาปีไปผ่าตั้งหัวมันไม่มีแล้วบอกนี่ไปหาแม่ยายเข้ากับมานเจ็ดวันเวยเนี่ไม่เอาทำไงก็ไม่เอาเลยต้องลดความขอหาตายที่บางงาปากบาง ทันทีตายไปแล้วเห็นไหมเนี่ยตายแหละนี่คนขับรถนะคนอื่นเขารู้จักมันอยู่กับเรามาสี่ท่าปียังช่วยเขาไม่ได้บอกให้นางกระมาฐานไม่เอาบางคนมา น, นั่งหัวขาดอยู่เป็นปริญาโทรไปอาจารย์อยู่ที่กุฏิบอกอาจารย์บ่ายชังมงค่าายไปไม่ยอมเชื่อให้รถทนตาที่อ่างทองเห็นไมเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่บอกแล้วเลิกบอกแล้วเลิกบอกใครจะหัวขาดถึงไหนก็ช่างปะลา ไม่เอาเนี่ยไม่ได้ผลเพราะเขาไม่เชื่อเราแต่เชื่อเราเราจะบอกให้ทำไม่เชื่อเลิกบอกนี่จนะกรรมาถามจะรู้อย่างจริงๆังนะยืนหนอห้าครั้งทําให้ได้เดี๋ยวก็จะอธิบายให้ละเอียดถี่ถัดฮ้ยน้อง <c oughs> คนเนี่ยมาเจ็ดวันยืนหนอยังไม่ได้ไม่รู้จะยืนยังไงไม่รู้จะปฏิบัติตึงไหนตั้งสติตึงไหนก็ไม่ถูาใจตั้งมันผิดจุดกิลมุดจะถูกเม็ดสมีแต่ะอุบาทว์ตลอดปโ ย, ยมจะจําอะไรไม่ได้นะ บางทีอายุมากก็กินแล้วยังไม่ได้กินลหลงไหลหลงลืมเนี่ยแต่ระวัางนั้นตายไปนรกแับทุกไลน์ไม่คาสติสัมปชัญญะตรงนี้การเจริญกระปัธรนต้องการจะปลูกสติจะได้ยำริชอบจะได้ประกอบกุศลเราจะได้ผลนานเป็นหลักฐานสําคัญตรงนี้ถึงจะถูกต้องไม่ใช่มานั่งกระชองเดชนางนั่งแล้วาสาวสักสามสิบนาทีก็ไม่ได้เอาถึงชั่วโมงวันนั้นสี่นาทีเลิกแล้วเลิกแล้ว ปวดหนอปวดหนอ่อดี๋ยวมีใครมากรนะซิบเนีเลิกเคอบเลิกเคอบเลิกเคอบเลิกเคอบทองยังไม่ทันหนอ่อยุบยุบยังไม่ทันหน่ทองขึ้นไปอย่าที่จะด้ให อ, อ่หายใจให้มันยาวหน่อยได้ไหมขนหายใจช้านี่โมโหเก่งขนอีฉาเกรงเนะี่หายใจช้านแ ล, ล้วเกรงตัวเหม็นด้วยเกรงตัวเหม็นด้วยนะคนรพนี้นะนี่เราจับหลักสูตรทาหลักสูตรได้เนะี่ขอฝ่ากญาติโยมว่า นี่แหละสร้างความเป็นมนุษย์ไทยสมบูรณ์แบบคือศีลมีสติสั ม, แบบสมสชัญยะกําหนดจิตคือสติปัฏฐานสี่นั่นแหละคือศีลต้องการให้เรามีศีลมีธรรมคนเกิดมาเนี่ยเหมือนกันเลยเกิดมามีหูมีตามีปากมีฟันดีกันทุกคนแต่เพศหญิงชายต่างกันด้วยโกแห่งกรรมบางคนเกิดมาเนี่ยไม่เอาไหนเลยไม้ภายต่างกล้องพี่น้องตาา่างใจท้องเดียวเหมือนกันทุกคนนะ พี่ดีไอ้น้องไม่เอาไหนไอ้น้องดีพี่ไม่เอาไหนแล้วก็โตขึ้นแล้วก็เรียนสูงไปเทคโนโลยีแย่งสมบัติกันพ้องร้องที่โลงศาลเนี่ยมาร้องหาชทีวัดนี้แต่ละวันเวลาจดเข้าวาดบันทึกประวัติศาสต้องบันทึกเป็นกฎแห่งกรรมอตาตมาได้ตําราจากโยมเนี่ยโยมมาเนี่ยธามาดูหน้าโยมออกนะอะไรตำร า, าตําราจากโยมคนประเภทนี้จะเกิดอะไรขึ้นมา คนประแพทนี้มีชาวฉลาดแค่ไหน อ, อย่างไรมันจะบอกสีหน้าออกมาเลยนะบางทีเราถามปัญหาเนี่ยขนาดครัวจา์ตอบธรรมาได้ที่ไหนคนสวยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจมากอยู่ที่ปากมากอยู่ที่ตูดมากคนสวยอยู่ที่คนชอบตอบพลิกถ้าคนไม่ชอบจะเป็นคนสวยจะยังไงตอบใช่ไม่ไดถไ้ถ้านั่งกับปาัาหาดวงจะตอบได้หมด ตอบได้หมดเลยจารย์ออกบอกได้ใช่เป็นนะตอบถูกตอบให้มันถูกจุดกีรมุรจะไม่ถูกแมดมานั่งกรรมฐานให้มีสติปัญญาไม่ใช่มาให้ให้กลายเป็นคนโง่อย่างที่เขาพูดกันตามวงการทุกๆไปไม่ใช่แน่นอนเนี่ยขอฝากท่านทั้งหลายาด้วยเหตุผลแล้วคนรู้กฎแห่งกรรมนั่งหิยะสามข้อบางคนมาทวงติงเราระลึกได้ยังไงก็ระลึกชาติของตัวเองชาติคือ แปลว่าอะไรต้องแปลหลักใหญ่ก่อนชาติสีแดงคือชาติสีขาวคือพระสศาสนาสีน้ำเงินนั้นหนาคือพระมหาจาักรพงแปลนี้ก่อนสีแดงคือชาติสีแดงก็คือตัวเราทุกคนระลึกชาติระลึกตัวเองว่าปีที่แล้วเร่นกาพนันมากมา่ปีก่อนเที่ยวเจทู้ปีก่อนขาดทุนไปเร่งกาพนันขาดทุนไม่ได้ไม่เสีย เดี๋ยวปีนี้เอาดีไม่ได้อีกให้ระลึกอย่างนั้นบางคนมาติงตอบเราโต้เราบอกร ะ, ะลึกชาดอย่งไรก็เลย ล, ลืกชาติอย่างนี้ที่นั่งกประปานมาได้ออกจากตัวคนปฏิบัติไม่ใช่แตามาไปพูดส่งเดชบทอุตตริมนุษยธรรมนะไม่ชช่แล้วปฏิบัติได้เราจะรู้ว่าโกเทนกรรมว่าเราทําอะไรไว้ทําบาปตรงไหนไมันจะได้รู้ห ม, มายถึงจะมาจะรู้เหรอะขอหักก็ทําบาปไว้ทีระลึกได้ ว่าเราเป็นเด็กมันยอมสาบไปยิงนกหักคอมันนอนกลมแผนที่ถ่ายภาพวันีนาเขาประชุมมันน้องไคลาอกันยังมีอ่ะมีแผนที่ให้ดูด้วยว่าน้องนี่เราไปยิงนกหักคอมันแล้วก็เราก็คอหักอย่างนี้จะยอมจ่สร้างเวียนช่างกรรมไปต่อไปทําไมเล่าเรามานั่งกรรมาฐานจะได้รู้เวีกรรมตามสนองเราจะได้ไม่ปฏิเสธทุกข้อหายอมรับกรรมย่างโดยดี เนีย่ยยอมรับกรรมพอหากแกนหากขาหากแล้วยอมฟ้าพาแล้วไฟน้ําร้อนลวกไฟลวกครับยอมรับกรรมที่ทําไว้สัตว์โลกยอมเป็นไปตามกรรมอย่างนี้แหละหนอไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับตรงให้ดีได้นอกเนือการจากการเจริญประกรรมาฐานกินจะรู้เท่ารู้เหตุรู้กรรมได้แล้วเราจะรู้แก้ปัญหาอย่างไงในโอกาสขณะมีอนาคตมันจะเกิดขึ้นอย่างไร ละลึกชาบได้สองรตูตัวกรรมสามแก้ปัญหายัางไงจบรายการวัอภวันได้ไมีปัญหาเกิดขึ้นจะได้แก้มันถูกต้องรู้จุดการแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นจัดนั้นจัดทุกอะไรยังมีติดต่ถึงจะแก้ไขได้อย่างนิ้มีความหมายแลว้วก็ประการที่สองที่ของหาญากที่สุดเราก็มาดูกันกิจฉังมัจจานัชวิจั ชีวทีราจะรอดจากความตายเนี่ยออกจากท้องแม่มาถึงตานนี้เนี่ยายากหายากจิจฉังมัจจาณนะชีวิตต่างเปิดมามีชีวิตถึงขนาดนี้เนี่ยหายากบางคนไม่ทันร้องตายในท้องก็มากหลายบางคนนี่จเจริญวัยเฉยๆสาวพอสิผ้าโยกที่ผู้จนยองกำลังหน้ารัากหน้าแข็งบิดามันตาก็มาตายใช่แล้วนี่สองวันนี้โทรมาร้องไห้บอกฉันร้องไห้มาษามเจ็ดแวันเนี่ย ลูกสาวจบด็อกเตอร์ที่กรุงปารีสฝรั่งเศสไปเรียนมาต้องหลายปีหมดต้องหลายล้านกลับมาบ้านได้เจ็ดวันฟุบตายขาที่แม่ก็พอก็ร้องไห้ว่าลูกเนี่ยไปเรียนถึงฝรั่งเศสแล้วกลับมาตายระวังนะอย่าประมาทนะอย่าประมาทว่าเราจะไม่ตายนะพระจบวิชามายังไม่ได้เข้างานยังไม่สนองไม่ได้พระคุณบิดามารดาก็มาตายนะ ฟุบรอมลงไปเ่ยังสาวอยู่นะยังสาวอยู่นะทำไมตายละ่ะด้เราเนี่ยแก่ค่ไหนเนี่ยเราสาวน้อยกันทั้งนั้นนะระวังนะนี่ยกิดฉังมัจจานชีวิตตั้งชีวิตที่รอดพ้นจากความตายมันนี่โชคดีอยู่ที่แล้วยังไม่สร้างความดีอีกหรือคุณพี่ทั้งหลายจ๋าเนี่ยแล้วสาวน้อยทั้งนั้นเลยเนี่ยน่ารักทุกคน แล้วนี่ก็นมน้อยน่ารักน่าใครน่ายินดีหน่าปรีดาแต่อย่าขออย่าให้น่าเวทนาขอให้มีแม่ตาปลาณีอริเอื้อเฟื้อขาดเหลือคดูกันต่อไปเถิดประเสริฐที่สุดมีแรงกิดฉางมั่นใจในชีวิตตั้งชีวิตจะรอดพ้นความตายแสนจะยากมากยอมโชคดีเนี่ยรอดความตายมาได้บางคนเนี่ยตายในยท้องเลยนะ ยังไม่ทันลองตายในท้องก็เยอะแยะออกมาลองเอาแวนยังไม่เห็นาพ่อแม่ก็มาตายเสียเลยบางทีพ่อจากพ่อจากลูกยังไม่ทันออกมาลูกยังอยู่ในท้องพ่อเป็นในพันเอกทหารสูงการทหารเป็นใหญ่ไปตายชาติที่สนามลบเวียดนามลูกยังอยู่ในท้องแม่ลูกของในพันเอกไปตายสงครามที่เวียดนาม อาตมาจําได้ชัดแล้วก็เมียมาร้องไหท้ทีนี่ท้องโตท้องโตบอกพ่อเขาตายที่เวียดนามแล้วแต่ไม่ได้โยนลูกปืนตายหัวใจวายตายเพราะเหตุใดไม่ทราบสงไัยกินเหล้าหมาตายอยู่ใน ส, ง, สงครามเวียดนามไม่เห็นหน้าลูกและลูกก็ไม่เห็นหน้าพ่อแล้วลูกไปยังไงลูกออกมาโตขึ้นแล้วมันไม่เห็นหน้าพ่อมัน ไม่ได้รู้เรื่องรู้ภาษาด่าทหารแดกเลยมาด่าทุวัดที่เพนะื่อนทหารอย่างนี้ทหารอย่างนั้นในเห่าท่านทั้งหลายเอ๋ยกิจฉังมัจานะชีวิตตังชีวิตเนี่ยจะหลอดพ้นจากความตายเช่จะยากมากกิจกิจฉังสัจธรรมมัตสวนาังชีวิตที่จะมีจะมีโอกาสฟังเทศฟังธรรมก็ยากอยู่ยากมาก แค่จ้างมาฟังแทศยังไม่มีขยะมาเลยนี่มันยากอย่างนี้ประการหนึ่งมีไหมเนี่ยวันพระเนี่ยบัณฑเดียบัณาเนยมานั่งฟังเทก้กันมั้งไหมไม่มีแร้กเขาไม่ว่าถึงเจ่าจ้างเขาก็ไม่มาแน่นอนที่สุดนี่แกิจฉ า, างศรธรรมสวนังการที่จะฟังธรรมก็ยากกิจโชพุทธานมุปาโทการที่จะเกิดมาพบพระพุทธเจ้ามาจัดในโลกอย่างนี้เนี่ยก็แสนจะยากลยแล้วเรามีโอกาสไปเกิดที่ประเทศถิ่นฐาน ที่ไม่มีาศาสนาไม่มีพระเจ้าเลยเราจะเสียใจไหมจะอ้างวางไปไม่ชนอยขนาดมีพระพุทธศาสนาอยู่นี่ยังทําผิดยังพุทธจลิทธิผิดศีลธรรมอีกมากมายหลายประการถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเลยเนี่ยจะว้าเวแค่ไห น, นจะหลงทางไปไม่ช น, น้อยขนาดมีทางแน่แนวทางกันยังเดินทางหลงทางตลอดชีวิตน่าเสียดายมาก มีาการปฏิบัติกรรมฐานก็คือการเรียสติปัฏฐานสี่ต้องการให้เรามีสติปัญญาไว้ที่ตัวเองไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วเรามีอยู่แล้วเนี่ยเอามาใช้หน่อยได้ไหมตามสติขึ้นมามั่งใจไหมเช่นสติปัฏฐานสี่ก็คือกายานุปัสนาติปัฏฐา น, ฐานกายจะยืนหรือกายจะเดินกายจะนั่งหรือจะนอนมีสติกำหนดไว้ทุกอายุหมดนี่เรียกว่ากายานุปนัสนายืนหนอห้าครั้ง ยังไม่มีใครทำได้เลยยืนออกไปเน่ยเอามือพายหลังหลับตามโนโภาพต่างสติว่าที่นี่ขม่องนี่ขมองตรงนี้เอาเจีกปากลงไปยืนงนอลงไปตจเชา้าถ้าหากว่าผู้ใหม่เลยเนี่ยยังใหม่ต่อการปฏิบัติยังไม่รู้ให้หยุดจังหวะที่สเสด็จตายมาถูกเรื่องหน่อยใช่ไหมยืน ถึงสะดือวัดถอนหายใจแล้วก็เนอลงไปตลายเท้าคนละขึ้นทําไม่นะสําหรับใหม่ผู้ยังไม่รู้เรื่องเลยเรื่อยังไม่เคยทําเพราะไม่รู้จะกําหนดอย่างไรยืนถอนหายใจที่สะดือคาว่าถอนหายใจเข้าใจไหมเนี่ยเข้เข้าใจก็ผ่านไปเนอลงไปตลาเท้า แล้วก็สมรวมจากปลายเท้าลับตามนโนภาพสารวมจากปลายเท้ายืนถอนให้จ่ายพับแล้วก็ น, นอลงไปตรงนี้เนี่สํำหรับใหม่ห้าครั้งหนึ่งลงไปสองขึ้นมาสามลงไปสี่ขึ้นมาห้าลงไปถึงปลายเท้าลืมตาดูปลายเท้าอย่าไปดูที่อื่น อย่าไปดูบางทีครัวาจา์สอนโน่นให้ดูพรหมนุนดูได้อย่างไรต้องดูที่เท้าของตัวเองตั้งสติไว้ที่ปลายเท้านั่นขวายาหนออย่าเพิ่งยกอย่าเพิ่งยกตรงนี้บางคนขวายางหนอยังไม่ซรา ย, ย่ายยกไปเละใช่ยากเลใช่ ไ, นะชไ่ได้กยังไม่ได้ผลมันไม่ได้จังหวะจากโคนทำให้มันถูกหน่อยได้ไหม จะมาเห็นบางคนทำไม่ได้บางทีเจ็ดวันมาบอกเดินให้ดูดเดินไม่ได้เดินสับสนเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาแหละอย่างนี้เป็นตน้นต้องขวายกขึ้นหน่อยเดียวอย่าไปยกหมดแต่ก้าวยาวสั้นก้าวยาวจำเพาะที่เราก้าวเดินตามปกติอย่างนั้นบางคนมาอยู่สามวันทำไม่ได้เลยอะไรก็ไม่ได้เลยไม่ได้สนใจเลยเนยะไม่ได้สนใจ ถ้าสนใจหน่อยได้มาด้วยศรัทธามาด้วยความเชื่อเหลื่อมสายต้องได้ทุกอย่างถ้ามาตามเข้าไปก็ไม่รู้เรื่องจะยอมได้อะไรฮะได้อะไรบ้างไม่ได้เลยเดินให้ชา้าที่สุดขวายาหน่อลงพื้นพอดีอย่าเพิ่งยกนี้อย่าเพิ่ ง, ย ก, ย, งยกไปมันจะไปอดีตยุคเมก่อก่อนอยา หนอดูไว้ก่อนอย่าเพิ่งยกมาถึงเจ้าดาวจังหวะขวาย่างหนออย่างนี้เฉยแล้วเวลาจะชิดก็ขวาย่างติดไปกลับหนอกลับหน อ, ก ล, หนอกลับชา้าๆตรงและยืนหน้อยห้าครั้งเอายืนหน้อยห้าครั้งรับรองได้ผลแนะ่ถ้าทาตามที่สอนนี่นะตามมาทาตามนี้มาตามตามใจนะไม่ได้อะไรกลับไปแล้ว ไปเชื่อคุณโน้นมา อ, าอย่างนี้เอายัางงี้อย่างเงี้เยเละแพร่าพายไปหมดเลยไม่ได้อะไรแล้วขณะเดินตรงกลมเนี่ยมันมีฟุ้งซานหยุดอย่าเดินต่อยุ ด, ดกําหนดนี่ลิ้นปีนี่ฟุ้งชานหนอฟุ้งชานหนออย่างนี้พอมันฟุ้งซานหายาก็เดินต่อไปนะเอาเมื่อยปวดยุ ด, ดอย่าเดินต่อ ปวดหนอตรงไหนอยากเอาให้ชนะไม่ห้ได้ปวดหนอปวดหนอเสร็จแล้วเดินต่อไปเวลาจะกลับกลับแล้วยืนหนอห้าครั้งแล้วก็เดินมาจะกลับแล้วยืนหนอห้าครั้งแล้วก็เดินต่อไปจะทําอย่างนี้ได้ผลแนะ่ภายในคืนกับวันเนี่ยเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งให้ได้หนึ่งชั่วโมงอย่างนั้นเวลานั่งพองหนอยุกหนอนี่หายใจให้ยาวที่สุด ให้ใจยาวบางคนนี่กลาบไป้ะบอกว่าทำยังไงพองขึ้นยกลงพองขึ้นอยู่ใช่อหะใช่ได้เหรอเราบอกว่าบางทีกาหนดสติเนี่ยนะรูหนอรูหนอเนี่ยให้มันยาวเลยก็เข้าใจผิดว่าพองหนอยกหนอไปขึ้นขึ้นลงลงนย่ฟังผิดจับผิดไปเลยก็กาหนดไม่ได้พองให้ใจให้ยาว อย่าเพิ่งกำหนดจิตต้องมันอย่าใช้สติก่อนหายใจใยาวๆก่อนให้มันทั่วท้องหายใจใมันเคยก่อนพอเคยแล้วก็หายใจเข้ายาวๆท้องจะพองก็พองหนョยุบหน อ, หนอถ้าพองมันยาวแล้วก็หนอไม่ลงเอาคนละครึ่งพองเครื่องหนอเครื่ยุบเครื่งหนอครื่งได้ไหมเอาไม่ได้ท้องเสี้ยวเดียว หนอสามเทีย่ยวยกบหนึ่งเทีย่ยวหนอสามเทีย่ยวเดี๋ยวได้ด้านหน้าข้าวก็พองหนอยกหนอคล่องแคล่วขึ้ตรงนี้ทําตรงนี้ขอฝากไว้ด้วยนะเดี๋ยวจะทำอะไรไม่ได้กลับบ้านเลยเดินชุบลมไม่ได้กลับบ้านแล้วแล้วด่าลายขึ้นมาแหละต่มวกไปนั่งคุยการจะเสียหายมากจะไม่ได้อะไรเกิดขึ้นขอฝากไว้าทาให้มันได้ตรงนี้พอพองหนอยกหนอเสร็จแล้วก็ได้ผล อย่างยืนหนอเนี่ยถึงสะดืนเนี่ยแต่เราทำได้แล้วไม่ต้องหยุดแล้วยืนหนอมันจะคล่องยืนหนอพอดีไม่ต้องถอนหายใจเลยแต่คนใหม่เนยต้องถอนหายใจตรงสะดือเพราะเหตุใดเพราะยังไม่เคยถ้าเคยแล้วไม่ต้องมันจะคล่องแคล่วขึ้นทำให้มันถูกวิธีหน่อได้ไหมก็เวลานั่งฟองหนอยุดหนอต่อไป ไม่สบายใจเลยเสียใจล้วก็นหนดเสียใจที่ลิ้นปีนี้ถ้าดีใจก็กําหนดนะถ้ามันปวดเมื่อยตรงนี้เราหยุดท้องหนอยุบหนอเอาทีา่รอย่างเอาชนะให้มันได้ชนะให้ได้ปวดหนอปวดหนอยิ่งปวดหนักยิ่งปวดหนักยิ่งปวดหนักเอาสู้กันต่อไปเดี๋ยวก็เกิดขึ้นตามอยู่ดับไปเวทนาก็แย่กว่าไปหายปวดเลิกหายเลยแปลวชนะ แต่เรามาปวดท้องหนอยยบนอปวดเยอะเกินหนอปวดหนอเดี๋ยวกูจะไปห้องน้ําก่อนหนอแล้วก็มาแล้วก็มานั่งคุยกันหน้าห้องน้ําหนอแล้วพรุ่งนี้กูจะเดินตรงกลมใหม่หนออีกร้อปีก็มาได้หนอไม่ได้อลไรแล้วแต่อย่าคุยนะเนียขอร้องหน่อยฮะ จะพูดกันได้แต่อย่าคุยคุยเนี่ยมันสาวกสาววาาว็สาวความยาวสาวความยืดไปคุยกันเนี่ยมาเนี่ยมาต่างถิ่กันแกอยู่ที่ไหนอ่ะฉันอยู่ที่โ น, น่นและแกแล้วอยู่ที่ไหนละ่ะฉันอยู่ที่โ น, น่นเป็นไงแล้วมีครอบครัวอย่างอ่ะฉันยังไม่มีละอ๋อไม่ควรมีก็อย่าเลยดูตัวอย่างดิฉันนะคะหัวฉันไม่เอาไหนเลย นี่เห็นพูดมาไม่ต้องนะอยู่ที่กุฏิจะ้ยินได้ยินนะโอ้นี่ไม่ินเลยกระซิบไยินนะจะบอกให้นะเ <c oughs> ชื่อไหมไม่เชื่อก็นิ่งนะอย่าพูดพกรรมฐานเขาห้ามพูดนะ <c oughs> ทำอะไรให้ได้ปัจจุบันอย่าเอาอนาคต หรืออดีตมาขวาย่างเนี่ยสัมปชัญญะปะพระนอพื้นนอย่าเพิ่งไปยกบางคนขวาย่างหนอยยกไปเลยแค่ย้ายอย่าต้องหยุดจังหวะหน่อยได้ไหมเคยเดินให้ดูไว้หลายเที่ยวเนี่ยขวาย่างหนอหยุด้ช้ข่อย่างไปบางคนขวาย่างหนอ ไป น, นี่แล้วก็ช้าอย่างหนอไปก่อนเคลียจังหวะหมดถ้าได้จังหวะอย่างนี้แล้วเราก็หลับตาเดินได้เพสติมันครบแล้วไอ้ที่เหตุที่ต้องให้ตาดูเท้าคือสมาธิยังไม่เกิดยังมีสติไม่ได้ต้องเอาอย่างนี้แล้วเวลาดึงพระสุทาจิตเข้าถึงขัง้น80เปอร์ซก็ไม่สไม่ต้องไปดูอย่างนั้นได้สติมันจะบอกทุกขั้น ทุกระยะอย่างนี้ถึงจะถูกต้องเดาพองหนอยุกหนอมันก็คลองขึ้นไม่ต้องไปเบ่งท้องนะบางคนบอกลมขึ้นคื อ, อยังรุนแรง เ, เอายาลมกินต้องสองขวดก็ไม่หายก็จะไปหายยังไงแล้วก็เบ่งเอาลมออกเบ่ดงดันท้องเข้าไปดันอย่าไปเบ่งก็ให้ใจยาวๆเท่านี้เองไปเบ่งท้องทําไมถ้าโยมตั้งคลันนะ่ยมันจะออกมานะ เดี๋ยวจะมา อ, ออกลูกทิ่นี่จะยุ่งนะอย่าไปแบงอย่างนั้นเชื่ไปแบงมันทำไมก็พองหนอยุบหนอถ้ามันไม่เห็นไม่ยุบไม่พองมันตื้นมันตื้อกําหนดรูหนอรูหนอเชื่อกำหนดรูหนอที่ลิ้นปีนี่สักพักหนึ่งแล้วกําหนดพองหนอยุบหนョมันจะชัดขึ้นทํำให้ชาบถึงสองครั้งสามครั้งให้เดินจม ก, กลมใหม่ไปเดินใหม่ตจำวิธีแก้ บางทีไปบอกกันผิดผิดถูกถถ้ามันไม่เห็นจริงจริงก็กําหนดรูหนอรูหนอหลายครั้งก็ไม่เห็นมองไม่เห็นเลยเพราะว่าสมาธิมันอาจจะดีขาดสติมาจึงไม่เห็นไปลุกไปเดินจงกรมใหม่เดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงเลยเดินนแหละแล้วมันจะเห็นพองยุบไหวขึ้นจึงต้องเดินจงกรมก่อนเสมอแต่ยอมที่กลับไปบ้านแล้วคิดจะเดินจงกรม บอหลวงพ่อใช้หน้า ก, กลับไปจากวัดนี่ฉันไม่เคยเดินเลยนั่งกตะพึ้เดินไม่ได้แลย้ยตะพึ้นสิเดินก่อนสิแม่ไม่มากง่ายกเลยพอจะเดินได้ก็เดินก่อนถ้ามันเดินไม่ได้จริงๆบางครั้งมันจํากัดเขตแล้วก็อนั่งไปก็ได้แต่บางครั้งไม่จํากัดเขตก็เดินตรงกลมก่อนเสมอนั่งแล้วมันถึงจะดีขึ้นพอเดินตรงกลมสมาธิดีนั่งก็จะได้ผลนะ ต้องให้เดินก่อนแล้วโยมเนี่ยเดินตรงกรมได้ดีหมดทุกคนแล้วไหมยกมือกันใช่ไหมได้แหมบางคนบอกโอ้เรื่องเล็กเลยหลวงพออ่อครัเรื่องที่ไก่เรื่องเล็กออกมาเดินให้ดูสิก็ออกมาเดินอ๋โหเดินแวหววเลยกว่ายอย่างเนะาะได้อย่างเนาะกว่ายอย่างเนาะไดอย่างเนาะแล้วก็แมมมีลูกเล่นทุเย ควายานอสคายาไม่รู้เอามาจากไหนไม่จะสอนอย่างนี้เลยเป็นโขนไปเสอเนะก็เดินธรรมดาธรรมดาแต่ให้มันช้าลงไปเดินตามปกติที่เราเดินนี่เนี่ยเราก้าวสั้นก้าวยาวแล้วก็เดินตามก้าวของเราให้มันช้า ยิงกับคนเต็มค่ายแล้วตามสติไปตามน้ำเท่านี้เองแล้วหูได้ยินเสียงกําหนดยังไงโยมเอาจิตไว้ที่ไหนแต่ได้ยินเสียงไนมะ่เอาจิตไว้ที่ไหนจิตไว้ที่ไหนเอาไว้ที่ากใช่ไหมแต่ผู้ปฏิบัติไม่เคยผ่านไปซะหน้าที่ไหเสียงนอ้อดิ เสียงหนอเสียงใครพูดอะไรเขาด่าอะไรเสียงหนอตั้งสติไว้ที่หูเอาเอาศีลไว้ที่หูจิตจังเกิดทังหูตั้งสติไว้เดี๋ยวก็จิตมันก็เกิดขึ้นมันก็ดับลงแล้วมันก็หายไปเสียงเนี่ยมันก็กลับไปหาคนที่พูดเราอย่าไปรับเขามาเสียงหนอเขาดา่าเขาว่าเขานินทาเราตั้งสติไว้ก็ไม่รับเขามาวาจะจิต จิตก็เบาไม่หนักอกหนักใจตรงนั้นเป็นเรื่องสาคัญตาเห็นหนอส่งกระแสจิตทั้งหนาค์ น, นี่ไม่ใช่หลับตาพูดกันเฉยเอาทั้งปากไม่ใช่ส่งกระแสจิตอุณโโล ม, มาปยาชายเตทรงออกไปที่เห็นลูกเห็นหนอเห็นหนอเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นตามดูดับไปทําไมต้องกําหนดอย่างนี้ถ้าเราไม่กําหนดมันก็กลายเป็นคนโมหะ แต่เราเห็นรูปสวยรูปชอบก็เป็นโลภะไม่พอใจก็เป็นโทสะเราไม่มีสติกำหนดก็เป็นโมหะโลภะเนี่ยเสียงหนอไม่ชอบเสียงเป็นโทสะชอบในเสียงมากก็เป็นโลภะไม่ตั้งสติกำหนดก็เป็นโมหะโลภะเนี่ยถ้าเราตายขนาดนั้นเป็นเปรตโทสะตายลงนรกโมหะตายไปเป็นสัตว์ดิบฉาน ออกมาสามประการนี้จะขอฝ่าใจโยมไว้นี่ผู้สัส้นๆให้เข้าใจเดินจงกรมก็ขอจเจริญพร อ, อย่าให้อย่าย่าเลวให้ชาเหมือนคนจะตายหนักเข้าสติจะได้มันสมาธิก็เกิดไว้าโยมมีอายุมากเดินมันเสเไทนนเไปทางน้นเสไปทางนี้เดินไม่ได้ก่อข้างฝากระดอนก่อกข้างฝาแล้วก็ขว า, า, า, ายากซ้ายยากไปนักเข้าก็ไม่สกาะบางทีคนมีสักกทชา ว่าอย่างหนอจะอย่างหนอพอสติมั่นคงทิ้งสักเท้าไดา้เดินโดยไม่ต้องวันไหวไม่ไม่ไม่สัน่นตัวไม่สัน่นเขาหายกันเยอะแยะไปถ้าสติไม่มีจะมาเดินคนจะเซไปทั้งโนดเดี๋ยวลมขึ้นลมลงเดินตั้งใจหนึ่งชั่วโมงต้องให้มันถึงแล้วนะพอแม่ตั้งสัจจะไว้เต็มที่ตั้งใจเดินหนึ่งชั่วโมงสามสิบพอแล้วไม่รู้ใครมาบอก บาการี่หูบอกไม่จองหนึ่งชั่วโมงแล้วสามสิบเหลือกี่เหลือชาเลยนั่งเลยนั่งหนึ่งชั่วโมงบังอนอุกหนอเอ๊เราเดินหนึ่งช่อหนึ่งชั่วโมงก็ไม่ถึงสาสิบนาทีก็นั่งก็คงสามสิบนาทีเลยเลิกเลยพอกันเนี่ยมันยังเนี่ยจะไม่ได้เลยแพ้สอบตกเสียงหนอ ก็สอบตกไม่ได้กำหนดปวดหนอกกำหนดไม่ได้แพ้ก็สอบตกสอบตกเขาไม่ให้คะแนนแล้วนะต้องชนะจิตมีสติปัญญาถึงจะได้ผลออกมาอย่างนี้ <c oughs> เวทนาเนี่ยมันเป็นอุปสรรคทำให้คุ้งใาบางทีนั่งเลยมันปวดเหลือกเกินเนะ ปวแททนไม่ไหวเลยเราก็ต้องทนต้องกําหนดไปปวดนอตั้งสติให้มัน่นเพราะสติดีสมาธิดีไอ้ปวดนั้นมันก็ค่อยๆซาหายไปแยกเวชนาออกได้แยกรูปแยกน้ําออกได้แล้วปวดนั่นมันก็จะไม่ยึดมัน่นไม่เป็นอุปาทานที่จะยึดมั่นในปวดนั่นต่อไปมันก็หายไปถ้าจิตยึดมั่นเป็นอุปาทาน มันก็ไม่หายเราค่อยๆทําไปฮะโยมทําไปมันจะชนะเขาวันหนึ่งอย่าให้แพ้ถ้าเราแพ้เขาเรื่อยแล้วก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขปัญหาถ้าเราชนะจิตใจเราได้ชนะตัวเองได้ก็ชนะคนทั้งโลกเลยชนะคนอื่นได้แน่นอนแต่เรายังแพ้ตัวเองอยู่ไม่สามารถจะชนะจิตใจเราได้มันก็แพ้คนอื่นตลอดไปไม่มีวันที่จะลืมตาอาปากได้ ตรงนี้โตรดชนะใจตัวเองในการเจริญกรรมาฐานเรียกว่าเวทนานุปัฏฐานสามดีใจก็เป็นเวทนาที่จะใจก็เวทนาต้องกำหนดทุกอย่างอุเบกขาเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เป็นอุเบกขามันก็ใจลอยออกไปขาดสติต้องกําหนดว่ารู้หนอรู้หนอจิตตานุปนัฏฐานเถียฐานเกิเป็นธรรมชาติตรงคิดอ่านอารมณ์ รับรู้อารมณ์วิดาเป็นรานามเมตเพศประทรึกเสียงเดี๋ยวออกมาทางโ น, น้นเดี๋ยววิ่งไปทางนี้จิตเนี่ยมันจะอยู่ที่ไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเราจะนั่งให้จิตอยู่ที่ไม่ได้จิตมันก็กวัดแกว่งอย่างนี้แต่มีปัญหาอยู่อันตั้งสติตามไปดูคิดหนอมันคิดอะไรกันเนาะคิดหนอรู้หนอแล้วมันคิดเรื่องอะไรก็กําหนดว่าคิดหนอเท่านั้นเอง เราจะให้จิตอยู่ที่มันอยู่ไม่ได้แล้วเราทําไปนานๆเข้ามันก็จะคุ้นเคยสติก็ดีสมาธิก็ดีขึ้นจิตก็ไม่กวนกวาดแกว่วงจิตก็ไม่หลอกแหลกจิตก็ไม่ฟุง้งฉาจจะอยู่ภาวะความสงบตลอดไปแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะฝึกไปเรื่อยๆจนให้มันเคยชินให้ใช้เวลาหน่อยไม่ใช่มาวันเดียวแล้วก็จะได้ผลนะต้องฝึกไปเรื่อยๆย้อมกลับไปบ้านแล้วต้องฝึกด้วยนะกลับไปบ้านเลิกเลยเหรอ เนี่ยคิดดูที่จกลับไปบ้านจะเลิกไหมฮะว่าไงฮะไม่เลิกแน่เลยยังเชื่อไม่ได้ยังไม่มีอะไรแสดงเอาละถึงอย่างนั้นก็ตามอาตมาจะเชื่อเขาไว้ก่อนนัะ่ะ แล้วหน้าตาสวยๆเนี่ยน่าเชื่อนะน่าเชื่อกลับไปแล้วก็โอ้โหจ้าปกูเนื้อโอดีเล็กเกอจะไปบอกคุณน้นคนนี้บ้างเลยหมดเวลาแม้วันนี้จะทำซะหน่อยโอ้ตีหนึ่งแล้วนี้นอนก่อนเถอะพรุ่งนี้ก็ทําก่อนพวกนี้ก็ได้ก็นอ น, นอไปพรุ่งนี้อ่ะทํำปะเออต้องไปทุนละซะหน่อย ปัญหามีอยู่ว่าจะไปไหนก็ตามเอากรรมฐานไปด้วยจะหยิบอะไรก็กําหนดหูมันก็ฟังอยู่แล้วก็เสียงหนอตามันเห็นอยู่แล้วก็กําหนดเรื่อยไปอย่างนี้ก็ได้ได้ไหมจ๊ะเนี่เสียงหนอมึงด่ากูหนอเสียงหนอมึงด่ากูหนอพระตีก็บอกว่ากูจ้างต้องไปตบมันให้ได้หนอ เอาเลยนะตบเลยอย่างนั้นมฮะไม่อย่างนั้นเหรอเอายังไงอ่ะเอายังไงเสียงหนอเขาด่าโยมแล้วยมจะทำงานเพราะอะไรฮะโอ้โอ้โหไม่ใช่ของดีเหรอไอ้ที่ด่าเนี่ยนับว่าดีแล้วอ้าวอาวอาว ทวันไหนไม่มีคนด่าเราขาดทุนนะวันนี้มีคนยกย่องมากอย่าไปเหลิมนะาวันไหนมีใครยกย่องมากขาดทุนทวันไหนมีใครด่ามากสักสิบลายนับว่าได้กำไรถึงสิบร้อยจำมานะเนี่ยเสียงหนอเสียงหนอมึงด่ากูหรือมึงนินทากูหรอเราก็แหมสติดีเหลือเกินนะ แล้วก็ออกไปตบมันสองผัวแล้วกลับมาโกรดหนอโรดหนอโรดหนอไม่ทันกินเนี่ยเลยตำรวจก็บอกเชิญไปโรงพักหนอไปเสียละคนละพันหนอเล่าล้อเล่นแล้วเผื่อจะเป็นไปได้ก็เอานะนี่แหละโยมเลยจะไปสนใจก็เสีง่ง เห็นอะไรก็อย่าไปสนใจตั้งสติดูไว้เกิดขึ้นต้งอยู่ดับไปอย่าไปสนสนใจตัวเองเสียงเขาด่าเขาว่าเขายินทาหรือเขายกย่องก็เสียงหนอให้รู้ไว้อย่าไปสนใจกับเสียงที่เขายกย่องเขาอาจจะป่อยอกเปล่าก็ได้อย่าไปสนใจอย่างนั้นโยมดีมีปัญญาก็ปฏิบัติไปอย่างนั้นนะจะไปธุกรกิจธุกราการก็กาหนดไปเรื่อย เสียใจก็กําหนดนี้ใจก็กําหนดไปนั่งบาง้านใครก็กําหนดตาดูหูฟังปากนิ่งกําหนดตลอดไปถ้าเราจะได้มีสติปัญญาแก้ไขปัญหาในเมื่อปัญหาเรื่เกิดขึ้นจะได้แก้ได้จะไม่เศร้าโศกเสียใจตลอดชีวิตอีกต่อไปแล้วจะอยู่ด้วยความมั่นคงเป็นสุขตลอดไปนะโยมนะโยมมีลูกอีกคนล่ะฮะสอนหละโตยัง อ๋อคนเล็กเ ข, ข้ามาหลายแล้วเล็กกว่านี้มีอีกไหมนะหมดแล้วเหรอโรงงานปิดแล้วเหรอเอาละใช้ได้อย่าไปมีมากสองคนก็พอแล้วนะคนเล็กให้จบนะพ่อบ้านทําอะไรละ่ะทํางานแม่บ้านก็ทำงานทะเลาะกันบ้างไหม โอ้สาธุสาธุสาธุไม่ทะเลาะกันแต่ขัดใจกันใช่ได้โตแล้วนี่ไปทะเลาะกันทำไมอายลูกเขาแต่ขัดใจกันเป็นเรื่องธรรมดาเหรอนะตอบได้ถูกต้อง บางคนบอกว่าโอ้ยสามีพัญญาใช่ไมมได้ทะเลาะกันไม่ขัดใจกันเลยกกหกอดไม่ได้ต้องขัดใจกันแล้วโยมอย่าไปขัดใจเขาเลยเนาะนั่นแน่เอาละให้คะแนนร้อยเปอร์เซ็นเลยโอ้ต้องเคารพเหตุผลทั้งสองฝ่ายใช้ได้ โอ้น่าจะเป็นครูสอนเรื่องนี้เอออาลมดีให้คุยกันนะถ้าอามไม่ดีพอให้ได้เราตั้งสติกำหนดนะดีแล้วยอมขอหนุมทนาด้วยวันนี้ก็เวลาจำกัดเดี๋ยวก็พรุ่งนี้จะประชุมพระพระมาที่นี่ทั้งอาเภอ่าอากาจะอบรมประชุมกัรถือร่มกาวสาวพัพ อันนี้ขอโมทนาสาธุการแก่ญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายโดยทั่วนากันก็ขอโยมอาใจใส่ตัวเองให้มากสนใจในพระกรรมาฐานสนใจการปฏิบัติศิงสมาธิปัญญามีสติเยอะมากในตนชีวิตนี้จะมีแต่กุศลชีวิตนี้จะมีแสงสว่างทางปัญญาจะได้แก้ปัญหาในครอบครัวทําอะไรก็เอาตัวรอดได้ จากความไปอยู่ชีวิตนี้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมาชีวิตนี้จะสมหมายนะสมหวังที่เราเกิดมาในชากลโลกนี้เป็นเรื่องธรรมดาเราต้องตกทุกข์ได้ยากในการทุกคนประสบปกากกับปัญหาทุกข์มีได้การทุกคนไม่มีใครที่จะหนีทุกข์ไปได้แต่ก็ขอให้มีความสุขโดยใช้สติปัญญาแก้ไขทุกข์ด้วยจเจริญพระกมามฐานแก้ไขปัญหาตลอดไป ขอฝากญาติโยมไว้โดยทุนาการก็ขอขอำนาจคุณปฏิญาณตัณฑ์อำนาจบุญกุศลทั้งหลายโปรประทานพอให้ญาติโยมทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วนาการขอทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวันณนาะถูกาพละปฏิาฤฤภาณนาสารทรมบัติเนืเคลจึงหนึงประการได้ชมความมุ่งมาตัาดชนะรู้กันทุลุกทุกนามหน้าโอกาสบัดนี้เทิน